นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมาขึ้นข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปานาตเล่มที่สิบเก้านะ มู ล, ลปัญนาตเนี่ยมีอยู่สามเล่มด้วยกันมีเล่มที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีอยู่สามเล่มต่อไปก็ยี่สิบยี่สบเอ็ดนี่ก็จะเป็นมัชชิมะปัญนาตยี่สิบสองยี่บสามเป็นอุปริปัญนาตก็แบ่งเป็นมูลก็คือรากมัชชิมะก็คือท่ามกลางอุปริก็คือในส่วนของยอดอันมัชิมนิกายนี่แบ่งออกเป็นสามปัญนาต ก็แบ่งเป็นวักประมาณ15บห้าวักเนี่ยนะวักละประมาณ10สูตรแต่ทั้งหมดในมัชชิมนิกายมี152สูตรในมาขึ้นมหายามกะวักเป็นวักว่าด้วยคู่คู่เนี่ยนะวักเป็นคู่คู่จะมีจูระบวกมหาอยู่เรื่อยเนี่ยนะถ้าอย่างสูตรก่อนก็จะเป็นอุปมาโอปัมมาวักเนี่ยเป็นวักว่าด้วยการอุปมาแต่พอมานี่ก็เป็นยมกะแปลว่าคู่ พระสูตรที่แสดงเป็นคู่คู่เช่นจูละโคสิงฆสารสูตรแล้วก็มห า, าโคามหาโคสิงฆสารสูตรจะเป็นจูละบวกมหาไปเรื่อยเรียกวายมะกะเนี่ยเป็นคู่คู่ไปในข้อสามหน้าหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่พักที่สร้างด้วยอิฐ ในนาที่กะคมนาที่กะคำนี่ชื่ออยู่ในแคว้นวชัชีอินเดียเนี่ยนะมีแคว้นใหญ่ๆสมัยพุทธกาลอยู่สิบหกแคว้นเนี่ยนะอังคามะคตกาสีวัชเจตีเนีนะมละเจตีวังศะสุรเสนเป็นต้นนะั้นวัชีก็ถือว่าเป็นแคว้นใหญ่มีพรมแดนติดอยู่กับแคว้นมคตเนะี่ย แคว้นวัชีกับแคว้นมคธเนี่ยต่างกางก็มีอาณาจักรเป็นของตัวเองมีแคว้นเป็นของตัวเองแล้วก็ช่วงก่อนหน้าช่วง ป, ปลายพุทธสมัยเนี่ยพระเจ้าอชาติสตรูมันใส้แคว้นวัชีมากเพราะเป็นแคว้นที่ขยันขันแข็งในการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะพวกกษัตริย์ทั้งหลายเขาก็สมัครสมานสามัคคีกันดีการทํามาหาเลี้ยงชีพดูจะ ก, ก้าวหน้าไปเยอะพระเจ้าชาติศตรูค่อนข้างมันไส้ตอนหลังก็เลยยกทัพไปปราบซะเรียบเลยเนี่ยนะ โดยใช้แผนของวัสการพรามก็คือแผนยุ่ยแยก ย, นะยุแยเองตะแคงรั่วซราอรานกันหมดแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์เชื่อพระองค์อยู่เจ็ดพันะ 7, กวองเนี่ยนะเจ็ดพันกองนี่เปลี่ยนวาระกันขึ้นครองราชเหมือนกษัตริย์มาเลเซียเนะี่ยกษัตริย์มาเลเซียเขาก็ขึ้นกันเปลี่ยนวาระการครองราชสมบัติยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยนะ แตก่ก็ปกครองโดยระบบนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะกษัตริย์ของเขาจะเปลี่ยนวาระกันขึ้นครองราชชันใดภายกษัตริย์แคว้นวัดชีก็เหมือนกันจะเปลี่ยนกันขึ้นครองราชเนี่ยนะก็วาระของกษัตริย์รูปใดที่เหมาะสมพระองค์ใดเหมาะสมขึ้นครองราชก็จะปกครองกันแบบนั้นแต่ว่าภายในก็ปกครองโดยเชื้อเจ้าแล้วก็เชื้อเจ้าเหล่านั้นเนี่ยะจะมีการคัดเลือกกัน เป็นประชาธิปไตยในหมู่เจ้าของันในหมู่กษัตริย์นี้พระองค์ก็ประทับอยู่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นวัดชีคือบ้านนาที่กะคามบ้านนาที่กะคามนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่พระองค์ประทับค่อนข้างบ่อยก่อนปรินิพานก็ประทับอยู่ณนะบ้านนาที่กะคามก็มีการแสดงทำแสดงสติปัญญานเป็นต้นที่บ้านนี้ด้วย สมัยนั้นท่านพระอนุรุทธท่านพระนันทียะและพระกิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงฆาสารวันไอ้คำว่าโคสิงฆาสารวันเนี่ยสาระก็แปลว่าต้นไม้มีแก่นหรือต้นไม้มีแก่นน่ยนะโคสิงฆาเนี่ยสิงสิงฆาเนี่ยแปลว่าเขาโคก็คือเขาโคเขาโคนี่มันสองแง่งเคยเห็นด้ามหนังสติกไหมด้ามหนังสติกมันจะมีสองสองชิ้นเนี่ยน ะ, ะถ้ามันเล็กๆ เ, เขาจะเอามาตัดมาทําเป็นหนังสติ๊กอะ อะไรนะด้ามหนังสติกอะ่ะมันก็จะเป็นแง่งออกมาแล้วก็โตขึ้นไอความที่ต้นนั้นะ่ะเป็นต้นใหญ่ต้นพิเศษถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่านั้นมันลักษณะเด่นของป่านี้ก็เลยชื่อว่าป่าโคสิงค์สาลวันครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีเกเรนคือออกจากที่พักที่สร้างโดยอิฐในหมู่บ้านนาธกะคำเนี่ยนะ คือหลังจากที่พระองค์พักผ่อนเข้าพระสมาบัติเข้าฌานที่สี่อรหัตผลสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนเย็นพระองค์ก็เสร็จเข้าไปยังป่าโคสิงฆะสารวันนายทวานบานคือคนผู้ดูแลรักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่จากที่ไกลครั้นแล้วก็กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณนะท่านยากเข้าไปยังป่านี้เลย ในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่เป็นสภาพอย่าได้กระทำความไม่พาสุขแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยเนี่ยนะขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยเขายังมีคนห้ามเลยนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมนายทวารบาลคนนี้จึงถึงกล้าห้ามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอัตถกถาอธิบายอธิบายโดยลำดับว่า อัตถกาถาเริ่มแรกก่อนนะที่หน้าสิบเอ็ดบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงครอบ ม, มหาชนเสด็จจาริกไปในแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีเนี่ยนะเสด็จไปถึงบ้านนาที่กะคามชาวบ้านนาที่กะคามก็ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากถวายทานจบก็ฟังธรรมะนะเมื่อได้ถวายทานฟังธรรมก็มีจิตเลื่อมใสปรึกษากันว่าเราจัก สร้างที่ประทับถวายแด่พระศาสดาก็เท่ากับถวายปัดใจสี่ตอนแรกก็ถวายอาหารก่อนถวายอาหารเรียกว่าถวายทานเสร็จ แ, แล้วก็ถวายที่อยู่อาศัยส่วนเครื่องนุ่งหม่มถวายผ้าถวายยาก็ตามสมควรทีนี้ที่พักที่จัดสร้างถวายพระพุทธเจ้านั้นสราแสดงภาพจิตตกรรมฝาผนังเนี่ยนะเช่นรูปทําเป็นรูปสัตว์ร้ายก็คือเต็น นะเป็นเท้าสิงเป็นรูปสิง์รูปอะไรเนี่ยนะก็คือเป็นแกะสลักอย่างงดงามแม้กระทั่งรูปแกะสลักที่ฝาบันไดหรือว่าที่เสาที่ทําด้วยอิดอทั้งเสาทั้งบันไดเนี่ยในหลังนั้นเนี่ยทำด้วยอิฐทั้งนั้นเลยสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนขาวยังมาลากรรมและละดากรรมเป็นต้นให้สําเร็จปูลาดเครื่องลาดพื้นเตียงต่างเป็นต้นแล้วก็ถวายที่พักอันนั้นแด่พระาศาสดานั้น มีบุญนะได้สร้างที่อยู่อาศัยถวายเป็นพุทธบูชาให้พระพุทธเจ้าได้ใช้สอยอย่างเก่งของเราสมัยนี้ก็สร้างพระเจดีย์ใช่หสร้างพระเจดีย์แต่สมัยนั้นก็ก็สร้างพระคันทกุตีเนี่ยให้เป็นที่ประทับอาศัยอยู่ของพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อมาพวกชาวบ้านอยู่ณนะที่นี้ก็สร้างที่พักกลางคืนที่พักกลางวานันสร้างมนดบสร้างที่เดินจงกลมถวายแด่พระภิสุสง บริเวณตรงนั้นก็เลยกลายเป็นวิหารเป็นวัดเนี่ยนะกลายเป็นมหาวิหารถือว่าเป็นวัดใหญ่มากที่พระพิสุพักได้เป็นห้าร้อรูปอย่างเงี้นะเป็นวัดใหญ่ที่บ้านนาที่กะคมตรงนี้ในสูตรนี้เนี่ยนะจูลโคสิงคสารสูตรเป็นสูตรที่กล่าวถึงกุลบุตรสามท่านนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่สูตรที่เราจะเรียนต่อไปข้างหน้านั้นเป็นสูตรที่เป็นข้อปฏิบัติของท่าน ตอนนั้นท่านยังเป็นปุถุชนแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นอขออภยัยพระนันทิพระอนุรุทธนันทยะกิมิละเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะกุลบุตรทั้งสามท่านนั้นได้ความพอใจได้ที่พึ่งได้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาเป็นพระขี่นาศพสเสวยสามัคคีรถกันอยู่ในที่นั้นเนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่าทั้งสาท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตามีความสมัครสมานสามัคคีปรองรองกันมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้บอกอะไรอะไรในบรรดาพระธรรมเสนาบดีคือพระองค์ไม่บอกลาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหาสิทิอสิติมหาสาวกนะโดยที่สุดแม้แต่พระอานนุ์ผู้เป็นขุนคลังพระธรรมพระองค์ไม่บอกเลยพระองค์เสด็จออกไปแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ถือบาดและจีวรด้วยพระองค์เองเปรียบเหมือนช้างปลีกออกจากค่าศึกเนี่ยนะเหมือนไกลสอนราชสี ออกจากฟูงเหมือนเมฆ น, นะเหมือนเมฆถูกลมนี่หอบไปพระองค์เสด็จไปเพียงพระองค์เดียวเสด็จเข้าไปณนะป่าโคสิงฆะสารวันถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จไปด้วยพระองค์เองในที่นี้ในนี้ทำไมพระองค์ต้องไปด้วยล่ะก็เขาอยู่กันสามรูปกันผาสุขสบายดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปทำไมตอบว่าเพราะพระองค์เนี่ยนะเห็นกุลบุตรทั้งสามเนี่ย สเสวยสามัคคีรสคํ า, า, ว า, า, นนาว่ารสเนี่ยแปลว่ารสชาตินะนะแปลว่ารสชาติแห่งความสมัครสมาสามัคคีปรองดองกันเหตุผลก็คื อ, คอเห็นแล้วว่าทั้งสามท่านเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความสามคัคคีอันที่จริงเนี่ยก็เป็นนะองค์กรใดอยู่ด้วยความสามัคคีองค์กรนั้นน่าเกรงขามอย่าสงสมมุติถ้าสองคนเนี่ยถ้าคนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะไม่น่าสนไม่น่าเกรงขามเท่าไหร่แต่ถ้าสองคนแล้วสองคนเขาสามัคคีกันแน่นแฟน น้าเกรงขามถ้าสามคนสามัคคีกันนะน่าเกรงขามไปกว่านั้นถ้าสิบคนอยู่ด้วยความสามัคคีก sí ันล่ะก็น่าเกรงขามกันขนาดนั้นแล้วถ้าอยู่เป็นร้อยเป็นพันคนนะแล้วอยู่ด้วยความสามัคคีกันล่ะก็น่าเกรงขามแต่ถ้าอยู่เป็นพันแล้วแตกร้าวรานกันนะคนเดียวดีกว่าถ้าอยู่เป็นพันแล้วแตกแยกความสามัคคีนะคนเดียวประเสริฐที่สุดแต่ถ้าอยู่ด้วยความสามัคคีกันเนี่ยจะสองจะสามจะสี่จะร้อยจะพันจะหมื่นจะแสน ก็ยิ่งยิ่งสามัคคีกันเท่าไหร่ยิ่งมีอนุภาพมากขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนุภาพความสามัคคีเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าต้องการจะไปยกย่องสรรเสริญถึงความสามคัคคีแต่ครั้งมีก่อนนู้นพระพิสูจ์ทั้งหลายเนี่ยทะเลาะ ก, กันบ่อยรองก็ชื่นชมความสามัคคีเหมือนกันเนี่ยนะบางยุคเนี่ยพระพิสูจก็ทะเลาะ ก, กันเหมือนกัน พระที่เป็นอริยะจะไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ว่าพระพิสุปุตุชนที่บวชเข้ามายังไม่นานเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้ก็ทะเลาะ ก, กันอันนะหนึ่งเหตุผลแรกบอกว่าทั้งสามท่านเนี่ยอยู่ด้วยความสามัคคีกันและพระองค์ต้องการจะยกย่องปุรบรเหล่านั้นพระองค์ต้องการจะชื่นชมความสามัคคีดังที่พระองค์ตรัสว่าความสามัคคีของหมู่นำมาซึ่งความสุขน่ยนะเพราะพระองค์ ต้องการอนุเคราะห์หมู่ชนผู้เกิดในภายหลังหมู่ชนที่เกิดในภายหลังเนี่ยนะเห็นเห็นอะไรเห็นประโยชน์ของความสามาคัคคีก็จะอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามาคัคคีและอันสุดท้ายบอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมหนักแปลว่าเคารพคารวะนะหนักแปลว่าคารคารวชนี่นะคาระวะเนี่ยแปลว่าหนักเป็นผู้ที่หนักในธรรมมากได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดําริว่า เราจะยกย่องสันเสริญกุลบตรเหล่านี้ทำปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับขับสู้ด้วยการแสดงธรรมแก่กุลบตรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงยกย่องอย่างนี้เท่านั้นจึงสเสด็จไป น, นะคือเนื่องจากยกย่องข้อปฏิบัติที่อยู่ด้วยความสมัครสมาสามัคคีเนี่ยนะอนุภาพแห่งความสามัคคีเนี่ยดึงใจให้พระพุทธเจ้าต้องเข้าไปไปไ ป, ไปแสดงธรรมะให้ให้ฟังเนี่ยนะ พระองค์ได้มีความนำริตต่อไปอีกว่าในอนาคตกุลบุตรทั้งหลายคือจากการไปของพระองค์เนี่ยนะพวกกุลบุตรผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยสำคัญการอยู่ด้วยความพร้อมเพียงกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่สํานักของกุลบุตรผู้พร้อมเพียงกันด้วยพระองค์เองพระองค์เนี่ยมากระทําปฏิสันฐานแสดงทำยกย่องกุลบุตรทั้งสาใครจะไม่พึงอยู่พร้อมเพียงกันเล่า เมื่อพระพิสูจน์เหล่านั้นอยู่ด้วยความพร้อมเพียงกันอย่างนั้นก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างเร็วพลันคือหมายความว่ามีความรู้ความเข้าใจในคําสอนอย่างถูกต้องแล้วทุกคนมีความสมัครสมานสามาัคคีปรองรองกันเนี่ยนะต่างคนก็ต่างเกื้อกูลกันให้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายทุกคนก็มีใจอนุเคราะห์กันทุกคนก็เกื้อกูลกันทุกคนก็สนับสนุนกันทุกคนก็ไม่ถือโทษกโกรธเคืองกันเนี่ย การประพฤติปฏิบัติก็ใกล้สู่อรหัตผลเร็วขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะอย่างถ้าเราท่องหนังสือเนี่ยถ้าเราท่องอยู่คนเดียวจํายากนะแต่ถ้ามาค่อยๆสวดพร้อมๆกันเนี่ยนะพร้อมเพียงกั น, นไม่นานก็จําได้ละแต่ถ้าว่าว่าคนเดียวเป่าๆเดี๋ยวก็เลิกแต่ถ้าต่างคนต่างว่านะโอ้ ย, อยากเนี่ยนะถ้ายิ่งต่างคนต่างว่าอีกคนหนึ่งขึ้นอีกคนหนึ่งลงอ้อะไรทะเลาะกันยุ่งไปหมดเลยคือทุกเรื่องเนี่ยถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วอะทุกอย่างจะนํามาซึ่งความเจริญ